ไว้ อ, วอก็กราบธรรม ส, ม ส, ส ก, การหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านนะคะครั้งที่เราหลวงพ่อบอกว่าฝึกปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเพ่งให้ฝึกใหม่ให้ฝึกให้ใจลอยอยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ใจลอยถูกทางหรือยังคะถูกแล้ว <c oughs> รู้สึกไหมใจเรามันเคลื่อนไหวมันเปลีป่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆค่ะจะรู้สึกเบากว่าตอนที่เพ่งรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันเครียดนะคะหลวงพ่อนะอนาจใจ คนภาวนาที่ชอบทําสมาธินึกว่าทําสมาธิจนเครียดเครียด ท, ư, ท, ư, ท ư, ื่เซอเอแล้วนะเป็นการปฏิบัติมันไม่ใช่เสียเวลาสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธินะกับมิจฉาสมาธิทันะ้งคนละเรื่องกันเลยที่ฝึกกันอยู่ส่วนใหญ่เป็นมิจฉาสมาธิไปเพ่งแล้วบังคับตัวเองให้นิ่งบังคับตัวเองให้นิ่งแต่ไม่ได้แปลว่าสงบนะ สงบเนี่ยต้องสามารถสงบอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่สงบแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนะคุณสังเกตไหมพอเราไม่เพ่งไว้ใจเริ่มเคลื่อนไหวแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมานะมีปรสัสนาแท้ๆนะั่นคือการที่เห็นกายเห็นใจนี่แสดงไตรลักษณนะ์ถ้าเราเพ่งให้จิตนิ่งไม่มีไตรลักษณ์หรอกหลวงพ่อเสียเวลาเพ่งอยู่22ปีนะไปประกวดเพ่งแล้วก็เพ่งเก่งเลยละ อาจจะไม่ที่หนึ่งก็คงที่ใกล้ๆที่หนึ่งะนะเรื่องไร้สาระนธะทำมานานดีลวนะแต่ว่าถึงช่วงหนึ่งก็ต้องกลับไปทำสมถะสมถะทิ้งไม่ได้ตอนนี้ที่ให้หยุดทำสมถะไปก่อนเพราะติดต่อไปพอใจเราเริ่มเคลื่อนไหวชํานี้ชํานานแล้วเราเห็นจิตทำงานได้เราก็มาทำสมถะอีกทำสมถะคราวนี้จะไม่เหมือนแต่เดิมแต่เดิมไปนั่งเพ่งให้นิ่ง ครานี้เราจะนั่งดูจิตใจมันทํางานไปนะมันไหวไห ว, ไ, วไปถึงจุดหนึ่งมันจะพลิกเข้าหาความสงบพอสงบพอสมควรมันจะถอนตัวออกมามาเดินปัญญาต่อมันน่าเสียดายมากเลยชาวพุทธอยากบรรลุมรรคผลนิพพานทําได้แต่สมถะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องกล้าปล่อยปล่อยการเพ่งเหมือนเราจะข้ามสะพาน อยากข้ามสะพานให้ได้นะต้องไม่จับราวสะพานยกเว้นเวลามันส่วนเซจะตกน้ําเท่านั้นแหละเราถึงจะจับราวสะพานถ้ามือเราจับราวสะพานแน่นๆอยู่ตลอดไม่ปล่อยข้ามสะพานไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันจิตจะข้ามฝั่งไปสู่โลกุตตะระได้ต้องกล้าปล่อยให้มันทํางานถ้าเอาแต่เพ่งให้มันนิ่งนะไม่ให้มันเคลื่อนไหวไม่ให้มันกระดุกกระดิกมันก็อยู่ตรงนั้นเองอย่างเก่งก็เลาะๆอยู่ริมฝั่งไปปรอมมาโลกข้ามฝั่งไม่ได้ อยากข้ามสะพานก็ต้องปล่อยถ้าปล่อยแล้วเสียงนะข้ามสะพานแบบสะพานไม้ไผ่ลำเดียวงี้ข้ามไปนะถึงเวลาส่วนเซขึ้นมาก็ต้องจับราวสะพานการปฏิบัติเหมือนกันเวลาเราภาวนาไปจิตใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็ทำความสงบเข้ามาเพื่อพักผ่อนไม่ใช่สงบเพื่อบังคับจิตให้นิ่งแต่สงบเพื่อให้จิตได้พักผ่อนอย่างสบายที่คุณฝึกอยู่เดิมจิตไม่เคยสบายเห็นะ มันไม่ได้พักผ่อนจริงมันมีแต่เครียดมากขึ้นมากขึ้นงั้นภาวนาแล้วเครียดเนี่ยทำผิดนี่เรามาทำพุโทโธทำลมหายใจทำอะไรเนี่ยให้ใจเคล้าเคลียสบายอยู่ในอารมณ์ันเดียวมีความสุขนะพอมีความสุขแล้วปล่อยให้เขาทำงานนะถึงจะเดินได้นัก บ, บัสิการครับหลวงพ่ อ, อ, อตอนนี้ที่ฝึกก็พยายามปล่อยทุกอย่างอะไรก็ได้แล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะ ดูรู้ว่าคิดเนี่ยมันเพ่งหรือไม่เพ่งอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนดูมาสุกที่แล้ว น, น่าจะดูได้ไม่รู้ว่าดูถูกหรือเปล่า ถ, ถูกนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ฟุ้งซ่านก็ถ้าไม่อยากทําความสงบ ก, ก็อะไรก็ได้บุญก็ได้บาปก็ได้คิดอะไรก็ได้บาปไม่เอานะ ม, นมันคิดเองะครับอ๋ อ, น อ, อนเนี่ยมันคิดไม่เป็นไรนะอย่าทํานะ อ, อไม่ทำอยู่แล้วถ้าบุญกับบาปเนี่ย ถึงแม่ใจเราจะเป็นกลางนะแต่การที่จะทําใดๆก็ตามด้วยเจตนาเนี่ยมีวิบากทั้งสิน้นวิบากของบุญนะเป็นความสุขวิบากของบาปวิบากของบาปเป็นความทุกข์นะแ ล, แล้วที่ผมสังเกตอ ย, อย่างเงี้ใยใจมันโปร่งโล่งบานนี้ถูกต้องไหมถูกต้อง ค, คือไม่ไม่เกรงมันม <c oughs> ไม่มีหังเ <c oughs> คย <c oughs> ได้ยินไหมว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน <c oughs> ครับนะไม่ใช่จิตเป็นผู้เพ่งผู้เครียดนะผู้ซึมซึมเ ซ, ซ้อ หมายถึงให้เราจําตรงนี้ไว้ได้หรือเปล่าครับจําไว้แต่ห้ามทําจําไว้แต่ห้ามทําเ อ, อจําไว้นะก็อาใจแค่นี้พอให้รู้สิ่งที่ผิดไป<า>เช่นพอมันไปเพ่งรู้ทันมันเผลอไปรู้ทันแล้วมันจะตื่นขึ้นมาตรงที่ตื่นขึ้นมาไม่ต้องไปจําว่าทํายังไงตื่นทําไม่ได้เพราะหยุดทำต่างหากเพงตื่นตอนนี้รู้แต่ว่าเพ่งแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้สังเกตนะครับหลวงพอ่อคครควนแล้วรู้สึกไหมไม่ใช่เล่าเฉยๆใจเริ่ม<ำ>อ้อนหน่อยๆรู้สึกไหม อ่ะตัวโตก็อ้อนเป็นนะไม่เฉพาะอย่างนี้สาวหลงนะอย่างเนี้ยแต่หลวงพ่อไม่หลงด้วย <c oughs> อ้าว่าไปกลาวนมรดกของพ่อค่ะก็เมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกว่าหัวใจมันดิ้นขุกครักขกุกคลักมันยังดิ้นอยู่อย่าไปห้ามมันค่ะ <c oughs> อะไรเกิดขึ้นให้รู้ไปด้วยความเป็นกลางจําได้ไหมที่สอนเมื่อวาน <c oughs> ให้รู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนะ ด้วยความเป็นกลางรู้อย่าง<ด>ที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงไม่ค่อยเพ่งละคลายออกนะถึงดิ้นกลุกครักได้ถ้าเพ่งไว้ไม่ดิ้นกลุกครักนิ่งนิ่งแล้วเมื่อวานฟุ้งซ่านมากเลยค่ะฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านสิก็รู้รู้จิฟงซานคิดว่ า, าเป็นร้อยร้อยเรื่อง ทุกวันก็ทําอย่างนั้นแหละใช่ค่ะเมื่อวานนี้มาอยู่วัดเราแล้วก็แต่เดิมนั้นเราหลงไปเรืเร่อยๆหลงทั้งวันเราก็ไม่รู้ว่าหลงค่ะมาอยู่วัดหลงแล้วรู้หลงเรารู้เราเลยรู้สึกหลงบ่อยค่ ะ, <น>ะแล้วก็รู้สึกว่าความกลัวมันเข้ามาหาเราเมื่อคืนนี้ค่ะรู้ว่าเราเนี่ยรักตัวเองมากเลยดีมากกลัว <c oughs> คนเลยมาช้ามาคุยกับน้องสองคนบอกอ้ออยู่ชมรมเดียวกัน กลัวมากแต่ก็ในไอ้สนกไ็ได้ได้ได้ความรู้มาอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะความกลัวความทุกข์ความสุขเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่าน<ช>ไปถูกต้องค่ ะ, อะอขอบคุณค่ะภาวนาเริ่มเป็นแล้วนะเนี่ยปล่อยให้เขาทางานแล้วตามดูตรงนี้นะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจหลวงพ่อใช้เวลานานมากเลยเสียเวลาอยู่22ปีในการทําสมถะอย่างเดียวขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นสุดจะโง่เลยขอประนามตัวเองนะโง่ แทบเกะกับบานเลยอนะมสสาสการครับก็เห็นความคิดมันเกิดแล้วมันก็ดับวับไปต่อหน้าเป็นระยะระยะาครับก็ดูไปอย่างนั้นแหะทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนะอ้าเบอร์สามสิบหนึ่งสามสิบหนึ่งอยู่ไหนขอยนโฉมการนันมสสาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเคยร้องคาราโอเกะไหมต้องจับใหม่อย่างนี้มันถึงจะเทะ่จับอย่างนี้ เหมือนไม่คยได้ยินอ้าวว่าไปค่ะมาครั้งแรกค่ะแล้วก็คือจะบอกมาโดยบังเอิญก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะหลวงพ่อบอกไม่มีมความบังเอิญมันต้อ ง, <า>งมีเหเมีปัจจัยทั้งสิน้นค่ะก็วันแรกที่มาก็คือยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงปฏิบัติยังไงวันที่สองก็ยังไม่รู้ค่ะแต่เมื่อคืนได้รู้นิดๆค่ะแล้วก็จากพี่เลี้ยงนะคะ วันนี้ก็เหมือนรู้ขึ้นมาอีกนิดนึงอะค่ะใช้ได้แล้วนะดูไปอีกมีพี่เรื่องดีใช้ได้อ่ะสามสองค่อดูไปนะใจมันเริ่มตื่นขึ้นแล้วละ่ะไม่แค่ค่อยรู้สึกรู้สึกขึ้นเนี่ยลงไปคิดล้เห็นไหมแล้วก็เคลียดเคลียดแล้วรู้สึกไหมอ่ะไปกดมัน น่ามาสักการหลวงพ่อคะอ่ะคือไม่ทราบว่าคือครั้งนี้เป็นการปฏิบัติครั้งแรกทำได้ถูกไหมคะถูกถูกแล้วไปดูไปนะเห็นไหมกิเลสเกิดทั้งวันเลยค่ะนั่นแหละดีถ้าภาวนาถูกนาจะเห็นเลยกิเลสเกิดทั้งวันเลยถ้าภาวนาผิดนะไม่มีกิเลสเลยมีแต่นิ่งความจริงนิ่งๆิ่งอยู่นะก็มีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งคือโง่โมหะแต่มองยาก อ่ะสามสิบพิธีการหลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกค่ะแล้วก็ปฏิบัติครั้งแรกใครเขาจ้างมาป่ะหรือมาเองสมัครใจหรือเห็นเขามาก็อยากมากับเขาบ้างหรือว่ามีความมุ่งหวังอะไรทั้งสมอย่างค่ะมีหมดเลยนะ <laughs> อย่างนี้จะเป็นจิตที่เป็นกุศลที่เกิดด้วยการชักชวนนะเรียกว่ามหากุศลและจิตน ะ, ะสังขาริกัง ต้องให้เขาชวนถึงจะเกิดกุศลนะเป็นกุศลเหมือนกันแต่ต่อไปมาเองนะไม่ต้องให้ใครชวนนะจะได้เป็ น, น <า S 2> มหากุศลที่มีกำลังกล้าเรียกอาสังขาริกังเราที่ทำใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไปทำอีกอ้าวคนต่อไปตื่นเต้นจะแย่แล้วก้ากบนมัสการหลวงพ่อค่ะ ตามที่ได้นะคะที่ตัวเองรู้ก็คือว่าความสุขก็รู้พอเวลานอกแป๊บหนึ่งเมื่อ3ามเอ็ดย่าไปบังคับตัวเองอยเครียดเครียดงี้ยปล่อยให้มันสบายว่านั้นนะเชิญ34ค่ะเท่าที่ตัวเองรู้ก็คือมีความทุกข์ตัวเองก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ให้ดูลงไปอีกตัวหนึ่งนะเวลาเราเกิดความรู้สึกกูขึ้นมาเนะี่ยให้รู้ตัวนี้ได้กูเก่งกูเก่งอะนะ่ะดูตัวนี้แถบน ะ, ะไปดูเพิ่ม อ่ะแปดสามหกแถมให้อีกตัวหนึง่ง35ห้าอาสามไม่ใช่หลวงพ่อแถมให้คุณผู้หญิงสาสิบห้าสามสิบห้าการรับาการท่านหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะแล้วก็สองวันแรกที่มาก็รู้สึกกดตัวเองแล้วก็คลียดเคลีย ด, ดนะฮะบังคับตัวเองมากมาเริ่มโปร่งเมื่อวานเย็นนะฮะเออนั่นแหละดี ปกติกระทั่งคนมาอยู่วัดของพ่อน้ําจะมาปร่งเย็นวันที่สองหรือไม่ก็เช้าวันที่3หรือไม่ก็ค่ําวันที่4หรือไม่ก็เย็นวันที่ห้ามาวันแรกๆอ่ะยุ่งทุกคนแหละกระทั่งมาอยู่วัดนะเคยภาวนามาแล้วเคยเรียนมาแล้วพอมาอยู่วัดมันจะมีความคาดหวังอย่างเราเนี่ยมาเข้าคอร์สเราก็มีความคาดหวังว่าเราต้องรู้เราต้องเข้าใจเราต้องทําได้ความคาดหวังเนี่ยทำให้เราเครียด แต่สามารพอเรารู้สึกสิ้นหวังเมื่อไหรนะแล้วก็รู้ไปอย่างสิ้นหวังเนี่รู้ไปเราจะเห็นจิตมันทํางานได้เองดูออกแล้วใช่ไหมจิตหนีไปคิดได้เองดูเป็นล้นะไปดูอีกอา่าสามนักเพ่งว่าไปครับผมมืออาชีพพอดีผมรู้สึกว่าผมจะติดที่ลมหายใจนะครับนั่นแหละจะแก้ไขยังไงครับรู้ลมหายใจต่อไปแต่ว่าไม่ให้จิตไหลไ ป, ไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ลมหายใจต่อไปแต่ก็รู้ทันจิต เอาจิตเป็นหลักเอาลมหายใจเป็นตัวสนับสนุนเป็นตัวรองวางไม้ลงแล้วก็หายใจให้หลวงพ่อดูอย่างนี้ผิดนะอย่างนี้ยจะไปติดที่ลมเห็นไหมพอเริ่มต้นแล้วก็น้อมอย่างนี้แล้วหลวงพ่อทําเก่งกว่าคุณอีกดูมทันทีเห็นไหมน้อมลงไปเลยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ได้แต่สมถะจะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ลองหายใจใหม่หายใจแล้วจิตไหลลงไปลืมตานะลืมตาไว้แล้วหายใจใหม่อย่าบังคับจิต เริ่มบังคับจิตแล้วรู้สึกไหมตัวเนี้ยที่ผิดอยู่ตัวเนี้ยทำให้ขึ้นเป็นปััสนาไม่ได้พอเราบังคับจิตให้นิ่งกายก็นิ่งจิตก็นิ่งไม่มีใจลักนะนั้นเอาใหม่หายใจใหม่เนี้ยตั้งท่าแล้วรู้สึกไหมตอนที่ไม่ตั้งท่านะ่ะไม่หายใจเลยเลยหายใจไปแบบไม่ตั้งท่าเห็นร่างกายนี้หายใจดูไปร่างกายนี้หายใจจิตเราเป็นแค่คนรู้นะเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหม จิตไม่ได้ไปรู้ลมแล้วหนีมาคิดนะเริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ไม่เอานะของคุณหัดใหม่นะหัดหายใจแต่ไม่ให้เพ่งเห็นร่างกายนี้หายใจไปแต่ไม่เพ่งดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็เห็นเลยตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอยู่วัดป่าสายวัดป่าใช่ไหมอ่าทดลองฝึกด้วยตนเองแล้วก็ไปดนะัง วัดป่านะถ้าฝึกครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นโบราณนะถ้าจะสอนให้มีจิตผู้รู้เคยได้ยินไหมจิตผู้รู้กับ<อ>เคยได้ยินนงั้นต้องมีจิตผู้รู้นะก็คือเห็นร่างกายมันหายใจไปจิตเียงแค่คนดูอย่าน้อมจิตเข้าไปหาลมแล้วให้ซุ่มๆไว้จิตต้องตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเ ห, เห็นเห็นร่างกายนี้หายใจไปเอ้าหายใจใหม่เอาอีกล้เอาอีกลออ้กลวางฟอร์มก่อนหายใจรู้สึกไหมครับผิดตรงที่ไปวางฟอร์มก่อนหายใจ หายใจก็หายใจอยู่แล้วหายใจมาตั้งแต่เกิดก็แค่รู้ว่ามันกำลังหายใจอยู่จิตไม่ไหลเข้าไปที่ลมนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากดูสบายๆเนี่ยเข้าไปแล้วรู้สึกไหมสังเกตลมแรงไปถอยออามารู้สึกไหมใจตอนนี้ประคองไว้เล็กน้อยประความเพราะมันตื่นเต้นใช่หหันไปข้างหลังยิ้มหวานๆกับทุกคนโบกมือทีนึโบกมือด้วย เนี่ยใจที่ถูกต้องอคือตรงนี้รู้สึกไหมไม่ได้เกาะอะไรไว้ไม่ได้มีน้ำหนักช่วงที่ทำบุกมือไปมันนั่นแหละทําบ้าๆไว้อย่าทาเรียบร้อยครับนั่นแหละหลุดออกมาแล้วอย่าหายใจแล้วเข้าไปเกาะที่เดิมเะครับมันส่วนมากมันจะมันจะไหลเข้าไปเองเลยไม่เคยชินครับนันก็ชินครับกำลังจะถานท่างแก้อยู่ครับนั่นแหละทาบ้าๆไว้หายนะครับผมอ้าวต่อมาติดสมาธินี่ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยกว่าจะแคะได้คนหนึ่ง เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสามเจ็ครับน้ำมาสการหลวงพ่อครับก็สองสมวันนี้ก็เข้าใจว่ามีพัฒนาการดีขึ้นแต่ก็ยังติดการประครองอยู่ออให้รู้ทันนะรู้ว่าประครองอยู่อย่างดีใช่ได้อสามแปดนี่ก็นักเคร่งเครียด อ, อีกคนหนึ่งนิมนต์หลวงพ่อเมตตาเลยครับหหลวงพ่อเนะ่ยเมตตาแล้วไม่ต้องนิมนต์ ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกเบอร์สามิหนะครับผมหายใจให้หลวงพ่อดูเนี่ยเ น, น, นใครสั่งใครสอนถอยออกมาไม่เอาลืมตาก่อนลืมตาฟังที่พระพุทธเจ้าสอนหยุดหยุดก่อนเบอร์สามสิบหยุดปฏิบัติก่อนอใครนั่งใกล้ๆจับจีเอวก่อนอยู่ตรงนี้อย่าเข้าไปอย่างข้างในไอ้ทำเรียบร้อยอีกแล้วเห็นไหมอย่าไปดัดแปลงมัน พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะภิสูจนทั้งหลายดูกราพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บันลังคู่บันลังหมายถึงนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะพระอินเดียไม่มีเก้าอี้นั่งนะ <c oughs> พิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงๆดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านสอนแค่นี้เอง แต่ไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายคู่บันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหลับตาด้วยแล้วค่อยๆบีบจิตลงไปนะภิกษุทั้งหลายมีหนูอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่ได้สอนนะคุณไปดูนะกระทั่งพ ร, พ, รพระพุทธรูปพระพุทธรูปลืมตาทุกองค์เลยโยกเว้นพระปิดตาแต่พระปิดตาก็ไม่ใช่พระพุทธรูปขนาดปรินิพานยังลืมตาเลยเห็นไหมงั้นต้องปล่อยมันให้ได้นะค่อยๆปล่อย นะปล่อยยากคุณธีระยุทธ์มันจะปล่อยยากเพราะว่ามันเคยชินนะตัวสำคัญนะเราต้องละทิฏฐิก่อนทิฏฐิคือความเห็นจะเอาความเห็นมาใช้ในการปฏิบัตินะค่อยๆรู้สึกรู้สึกกายรู้สึกใจค่อยๆรู้สึกไปเห็นร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นแค่คนดูนะจิตใจกระวนกระวายจิตใจกระสับกระส่ายรู้ทันนะจิตใจเป็นไงก็รู้ทันเบอร์สามหหลงไปอีกแล้วนะรู้เล่นๆไปนะ ออให้รู้อยู่ห่างๆงั้นแหละเบอร์สามแปดนะหัดรู้อยู่ห่างๆงั้นแหละเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เข้าใจผิดเหมือนคุณแหละทำเหมือนเงินเปียบเลยอย่างกับพี่น้องกันฟังมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ทำอ้าวสามสิบเก้าชื่นชมภาวนาปฏิบัติมามานานแล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนี้อยาก รู้สึกเป็นบุญแล้วก็มีโอกาสได้มาพบหลวงพ่อค่ะอยากได้คําแนะนําจากหลวง พ, พ่อที่ฝึกอยู่นะใช้ได้แล้วนะไปดูอีกดูไปเรื่อยๆทําใช้ได้ลเะเบอร์สี่สิบอ๋อสี่สิบไปอยู่โน้นตื่นเต้นรู้ไหมตื่นเต้นเ <c oughs> นี่นมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าคือว่าเวลานั่งจะสมาธิใจรู้สึกจะเครียดมากค่ะอืมอย่าไปนั่งสินั่งแล้วเครียดไปนั่งมา เขานั่งให้หายเครียดนี่นั่งแล้วเครียดวิธีทําสมาธิให้ไม่เครียดต้องทําสบายๆหลักของการทําสมาธินะต้องมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในพระพี่ทำสอนไม่ชัดเลยเพ้เราต้องมีความสุขนะเพราะเราหายใจไปอย่างมีความสุขยืนเดินนั่งนอนอย่างมีความสุขจิตใจก็จะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าเราไปนั่งเครียดหายใจก็เครียดทําอะไรก็เครียดจิตจะไม่สงบนะ ถ้าเครียดแล้วจิตจะไม่สงบจิตมันถูกขังคุกจิตมันถูกหลังแกถูกกดถูกคมเอาไว้ใช้ไม่ได้งั้นให้เรารู้เล่นๆตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจวิ่งไปหาคนอื่นด้วยรู้สึกไหมทีเนี้ยให้คอยรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังนิดนึงก็จะคิดสลับกันฟังเราคิดฟังเราคิดให้คอยรู้เอานะอ้าวเบอร์สี่สอ่นะสี่สิบหน ทีมอื่นใจเย็นๆไหมนะหรืออีกสี่คนเท่านั้นกลับร<ม>ัฐการครับหลวงพเอสองวันนี้ขี้แย่ครับดีเป็นผู้ชายขี้อ้อนไว้บ้างน่ารักดีก็แล้วไงก็มันมันเต็มตื่นนะครับ ตตั้งแ่ให้รู้มันไปอย่างนั้นแหละรู้ไปเรื่อยๆนะครับรู้ไปมันก็ไม่คงที่ใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามากเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็หายไปอย่างเนี้ยตรงที่ร้องครับแต่เคียบมันหายแวบหนึ่งแล้วใช่ไหมหายไปแล้วแล้วคิดคิดคิดแล้วก็รู้ใจรักอันนี้ได้ไม่เอาได้นะครับใจรักไม่ไดเอาไว้คิดใจรักต้องเอาไว้เห็นออกครับคิดเอาไม่ได้นะครับอ้าไปสี่สิบสองทีมนี้ไม่น่าห่วงหรอกนะทีมไฟฟ้าวิยากรเก่ง กรนั่งมัส ก, การหลวงพ่อครับอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเริ่มฝึกจริงๆจังก็ช่วงนี้อะฮะก็เลยยังไม่แน่ใจว่าที่ทํามาถูกหรือเปล่าใช่ได้และใครดูไปด้วยดูเล่นๆอนะนะอย่าซีเรียส น, นะแต่ของคุณต้องเติมมีการหนึ่งว่าอย่าขี้เกียจ น, นะอย่าทถลัยอะอย่าทะเลถลัยเป็นนักเรียนหนีเรียนให้ค่อยรู้ทันใจของเราได้ๆอย่าละเลยรู้ไปบ่อยๆนะดูทุกวันนะ พยายามดูไปทุกวันอ่ะแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนมานะใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยดูไปเรื่อยๆนะวันนี้จะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกสิ่งที่พวกเราจะได้มานะคือเราจะได้ความสุขที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตเลยคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อเ น, นี่มาส่งกันบ้านเยอะแยะแต่ละวั น, นหลายคนเลยมาสารภาพเลยว่าความทุกข์มันตกหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์ไม่นานนะเคยทุกข์มากๆก็เหลือทุกข์นิดเดียวไหวแวบประดับแวบระดับ เพราะนการที่เราเรียนธรรมะเนี่ยเป็นการลงทุนให้กับชีวิตตนเองเราเปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ทําไมต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะพวกเราไม่รู้หรอกสิ่งที่พวกเราทํามาส่วนใหญ่เป็นแค่สมถะเท่านั้นเองหาคนที่จะขึ้นวิปัสสนาได้นี้น้อยรายจริงๆริไม่รู้ไม่เข้าใจงั้นทําไปแบบรูปๆคลำๆแล้วเราโยนของเก่าทิ้งไปนะเราคอยรู้สึกเอาอย่างตอนนี้ใจของคุณนิ่งกว่าความเป็นจริงแล้วรู้สึกไหมโกดไว้ละยิ้มหวานๆก่อน เนี่ยตรงเนี้คลายออกนิดหนึ่งรู้สึกไหมไม่หมดแต่คลายออกไปหน่อยหนึ่งนะเนี่ยแอบนี้ผิดคิดแล้วทราบไหมครับผมเนี่ยดูอย่างนี้นะเอาไปถัดไปคนนี้เก่งนะคนนี้ยใช้ได้กรู้เรื่องเยอะพระอาจารย์อยากสูงครับตอนนี้ผมเป็นผู้ตื่นเต้นตุบๆนะครับหลวงพ่อดีครับดีละนะคุณเป็นคนซึ่งฟังธรรมะแล้วคุณใจคุณมันปรับได้เยอะ คุณเข้าใจได้เยอะครับใจคุณเปิดครับสติปัญญาของคุณแก่กล้านะปัญญาคุณกล้าสิ่งที่คุณต้องทําก็คือมีสติรู้ไปอย่างสบายๆเนืองๆของคุณขาดเท่านั้นเองรู้ให้เนืองๆรู้สบายๆปัญญาของคุณกล้าแล้วอ้าถัดไปก็ทุกคุณครับกาลนามสกานะคะคนก็กล้านะวาทะกล้าอย่างนั้นไม่เอาเอาปัญญากล้า ค่ ะ, ะช่วงหลังนี้จะเห็นกายเคลื่อนไหวก็จะรู้ถึงหลงคิดและหลงอยากแต่บางครั้งพอเห็นจิตใส่ใ ห, หมใจเรามีความสุขค่ะมีความสุขเนะดี๋ยวนี้มีความสุขช่วยไม่ได้ก็คนมีบุญดูไปงั้นแหละที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วน ะ, ะแต่ว่าใจเนี่ยมันเพลินในความสุขไปนิดนึงมันไม่เห็นว่ากำลังเพลินอยู่ ไปดูตัวนี้นะ อ, ะ<ข>อคนต่อไปขอบคุณค่ะหมดแล้วนี่ใช่ไหมสีสิบสีแล้วยังครบแล้วนะเอาใครจะยกมือโน่นยกไวมากเลยมีพัดด้วยนี่ยกทีหลังเขานะไม่ทันเขาหรอกยกไว้ยกไวเออเ น, น, น่เป็นดาวแฟดคู่นี้กล่าวนรรมสการหลวงพ่อค่ะออตอนนี้ก็จิตมีน้ำหนักค่ะมีโมหะแล้วก็รู้สึกเหมือนเครียดเียดอาจจะ มวยหรอกเหรอหนูเองค่ะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ <c oughs> อ่าต่อให้จิตมีกําลังจิตมีกําลังนะโมหะไม่สําคัญ <c oughs> มีโมหารู้ว่ามีโมหะจิตเป็นกลางด้วยเห็นไหมจิตเป็นกลางเยอะเลยแค่นะ <c oughs> รู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางอย่งแล้วไม่ปิดผ้าไว้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวคนข้างข้างมาเอาเชื้อโรคให้เรา ก็อ้าว่าไปค่ะレスปอนยาดีนะค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็ตอนนี้ก็จบกันให้คีโมรอบที่สองแล้วค่ะแต่ว่าสเต็ปถัดไปก็คือเช็คเลือดแล้วดูว่า DNA จะแมทกับน้องก็ปลูกไขกระดูกเลยค่ะตรงหอวดีแล้วนึกถึงพระรัตนตรัยไว้นะนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ขอพลังงานของท่านมาช่วยให้พลังงานท่านถ่ายทอดลงมาตั้งแต่กลางกระหม่อมเลยนะ ถึงปลายเท้าให้เต็มเลยอฟอกกระดูกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาโอโหถ้าทางหนูจะทำแบบนั้นไม่เป็น <laughs> ไม่เป็นก็ดูจิตไปค่ะหลวงพ่อเจ้าคะอย่างที่หลวงพ่อคราวที่แล้วที่มาส่งการบ้านนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ดูจิตะคะที่ว่า เห็มันกิดดับเคลื่อนไหวเป็นแปลงคือที่หลวงพ่อเคยสอนว่าให้ดูกายกับใจให้เป็นไตลักษ์ใช่ไหมคะคืออย่างกายเนี่ยมันเห็นชัดในเรื่องของทุกเวทโดยเฉพาะเวลาที่ป่วยนะคะแต่พอเรื่องจิตนะคะที่หลวงพ่อบอกว่าให้ดูว่าเราไปยึดถือจิตตอนนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อบอกหนูข่าวที่แล้วเนี่ยคือหนูไม่เห็นเพราะมันเหมือนแบบ มันเหมือนกับพอหลวงพ่อบอกว่าเห็นไหมว่าปล่อยวางกายได้ตอนนั้นรู้สึกได้เพราะว่ามันเหมือนมันเห็นชัดมันเป็นรูปมาทมเลยค่มันแต่ต้องได้หรือว่ามันเจ็บมันทุกข์อะไรเงี้ยมันชัดแต่พอหลวงพ่อบอกว่าให้เห็นไหมว่าถ้าเกิดเราไม่เห็นว่าเจ็บเป็นทุกข์หรือว่าไปยึดมันไอความรู้สึกยึดอะตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบมันเห็นยากอะคะ่ะเห็นยากยังไม่คุ้นนะใช่ค่ะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปพอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเห็นเลย พอตื่นนอนขึ้นมาพอคิดถึงการปฏิบัติปันะ๊บนียสิ่งแรกที่ทํานะคือการหยิบเฉวยจิตขึ้นมาอยาไปตะครุบขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็เอามานั่งดูนอนดูพลิกไปพริกมาค่ะถ้าอย่างนี้หนูเห็นค่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนมันเคยชินกับการดูแล้วมันก็ไปนะเช็คว่าเหมือนแบบวันนี้รู้สึกยังไงคือมันเปนะ็นความรู้สึกยังไงนั่นนะให้เคยรู้ทันเลยจิตไปตะครุบมาดูเรียบร้อยแล้วหยิบมาง่ายนะแต่ปล่อยยากปล่อยไม่ได้หรอกจะปล่อยไม่ได้นะให้แค่รู้ว่ายุดไปเท่านั้นแหละ มันปล่ยเองเวลาที่ปัญญาแก่รอบปัญญาแก่รอบคือรู้ว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะจึงยอมปล่อยปล่อยเองแต่ว่าที่เห็นชัดในมุมของใจรักในเรื่องของการดูจิตก็คือในเรื่องของ อ, อนิจจังอะคะอ่ะที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกันดวน อ, อนิจจังไปน ะ, ะเห็นไหมกระทั่งตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเห็น<ม>ไหมนั้นหมวยถนัดอนิจจังด่วอนิจออนจังไปค่ะแล้วก็ที่หลวงพ่อเมตตาแนะนําให้ดูว่าจิตมันเล็กมันมันวิ่งไปวิ่งมาหรือมันขยับ คือตอนแรกที่หนูเห็นเนี่ยคือปกติเคยเห็นสภาวะที่ไร้น้ำหนักถึงเห็นสภาวะที่จิตมีน้ำหนักคือเห็นอะไรเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเราเคยเห็นจิตเหมือนเต็มโลกกาถ้าเราจะเห็นว่าจิตเราวิ่งเป็นดวงพอหนูกลับไปสังเกตคือหนูไม่เคยเห็นจิตใหญ่แต่หนูเคยเห็นจิตมันเหมือนมันมีอนาเขตบริเวณมันเป็นเล็กๆๆในการรับรู้อารมณ์อะใช่มันมีขอบเขตรู้กายรู้ใจอะไรอย่างนี้ก็แค่รู้นะว่ามีขอบเขตอยู่ค่ะวันใดที่เห็นแจ้งอริยสัจเนี่ยอริยมรร ในขั้นสุดท้ายนะั้นจะทําลายสิ่งที่ห่อหุ้มจิตตัวนี้ออกไปดูไปนะภาวนานได้ดีแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อคะมีหนึ่งคำถามเจะก็คือที่อย่างสมมุติว่าอย่างเวลาเราเห็นจิตว่างหรือว่าอย่างสภาวะข้างนอกที่มันไม่มีความเป็นตัวตนนะคะตรงนี้คือหนูไม่แน่ใจว่าคือหนูไม่ทราบว่ามันต่างยังไงกับตอนที่จิตยิ้มที่มันแสดงความว่างออกมาที่แท้จริงอะ่ะไม่ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมโลกาธาตุข้างนอกว่างแต่จิตเราไม่ว่าง ไม่เท่ากันยังมีสองอันนะที่ไม่เท่ากันคนทั่วๆไปเนี่ยเท่ากันคนที่ไม่เคยฝึกหรือหมาแมวเนี่ยเท่ากันจิตเศร้าหมองโลกก็เศร้าหมองจิตผ่องใสโลกก็ผ่องใสแต่ตอนนี้เราฝึกไปเห็นไหมจิตมีน้ำหนักแต่โลกไร้น้ำหนักนนยังเป็นสองนะเราพอนาวันใดที่เราไม่ยึดจิตจิตจะไร้น้ำหนักโรค ก, ก็ไร้น้ำหนักจะเป็นอันเดียวกันขึ้นมาอีกเราก็แค่รู้เท่านั้นเองว่าที่มันมีน้ำหนักขึ้นมาเพราะอะไรเพราะยังหยิบฉวยจิตไว้ แต่ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้วางนะฝึกเพื่อให้รู้ทันเท่านั้นแหละหัดรู้ไปเรื่อยๆอ๋อแสดงว่าทุกครั้งที่เราจิตมีน้ำหนักนี่คือแสดงว่าเกิดอาการยึดอยู่ตลอดเวลาใช่เรียบร้อยแล้วนะสังเกตไหมโลกข้างนอกว่างเปล่าแต่จิตไม่ว่างเปล่าค่ะเจ้าค่ะแล้วบอกไปอยู่ในความว่างพวกที่ว่าไปอยู่ในความว่างอ่ะจิตไม่ว่างโลกมันว่างโดยตัวของมันอยู่แล้วแต่จิตไม่เคยว่างจิตไปหลงอะไรจิตไปหลงความว่างของโลก จะไม่เหมือนกับคนซึ่งปล่อยวางจิตแล้วปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยนะหลวงปูดูลเคยสอนหลวงพ่อบอกถ้าวันใดเธอเห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนะั้เธอจะรู้แจ้งแทงตลอดคือจะบรรลุพระอรหันต์แลรนะเราดูไปสิจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นคนละอันดูออกไหมดูออกค่ะนะทำไมเป็นคนละอันเพราะว่าทั้งที่ความจริงมันเป็นของโลกแต่เราไปหยิบฉวยออกมาเป็นของเรา เราไปหยิบเวยเออกมาเป็นของเราทันทีที่ไปหยิบสิ่งหนึ่งมาเป็นของเรามันก็มีสิ่งซึ่งแวดล้อมอยู่ไม่ใช่ของเราขึ้นมาแล้วทันทีที่หยิบเวยจิตขึ้นมาโลกธาตุอนนทนก็เป็นของภายนอกไปแล้วถ้าเมื่อไหร่รู้แจ้งอริยสัจว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเป็นอนัตตาเพียงมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นจิตก็จะวางพอวางจิตลงไปใช่ไหมคืนจิตให้โลกธาตุไปจิตกับโลกก็เป็นอันเดียวกันไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งโลก นั่นแหละไม่ไม่ถูกละตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนที่หลวงพ่อบอกว่าให้พยายามดูว่าจิตมันเป็นทุกข์หนูก็เห็นความจงใจของตัวเองว่าพยายามดูว่ามันเป็นทุกข์หลวงพ่อบอ ก, กไกด์ไลน์ไว้ให้ค่ะแลนะ้วเอาไว้ใช้ระยะยาวค่ะหนูยังต้องปรับปรุงอะไรไหมคะไม่ต้องนะหนูฝึกได้ดีแล้วนะค่ะหลวงพ่อสอนให้เยอ ก, กว่าคนอื่นไวนะ้จําำไว้แต่ว่าไม่ต้องไปจํามากหรอกมันจําเข้าไปในจิตแล้วเจค่ะเราดูของเราอย่างนี้แหละ ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะมีพระองค์หนึ่งอยู่กับอาจารย์นะนี่อาจารย์ท่านเป็นมะเร็งผิวหนังที่น่าแข้งนะเป็นๆๆ น, น, น, นะพระนี่หายาหาใบไม้หาอะไรมารักษาอาจารย์รักษาไม่หายนะสุดท้ายอาจารย์จะตายแล้ววันนั้นนะพระนี่นั่งร้องไห้เลยนะอาจารย์จะตายร้องไห้ร้องไ ห, องห้อาจารย์ก็ปลอบดูสิคนป่วยปลอบคนดนะีบอกว่าจะร้องไห้เธอจะเศร้าโศกเสียใจไปทาไม กายของเรากระสับกระสายแต่จิตเราไม่กระสับกระสายเลยนี่อาจารย์สอนธรรมะอันนี้มาเพราะนั้นยังภาวนาไม่ได้นะผ่านมาอีกเป็นพันกว่าปีถึงทําได้นะงั้นเราที่หลวงพ่อสอนสอนไปเนี่ยสอนเผื่อด้วยนะเผื่อชาตินี้ไม่จบจะไปต่อชาติหน้านะถ้าทางจะอายุยืนซะแล้วล่ะขอบขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่ออา้าว ไทยต่อเชิญนมัสการของพ่อมีคนเป็นมะเร็งเยอะนะทุกวันนี้ยเยอะมากเลยสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นพิษจิตใจก็เป็นพิษมีแต่กิเลสดูโทรทัศน์จิตใจก็เกิดกิเลสใช่ไหมทุกครั้งที่ใจเกิดกิเลสร่างกายก็มีสารพิษเกิดขึ้นลำบากมีแต่พิษแต่คนภาวนานะจิตใจเบิกบานแจ่มใสนะมันก็ฟอกร่างกายไปด้วย บางคนเป็นมะเร็งจะตายมิตายแหล่นนะภาวนาไปเรืยหายนะมีที่หายเลยก็มีหายมาเป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยก็มีมีองค์หนึ่งแต่ไม่เอ่ยชื่อท่านนะเพราะในประวัติไม่ได้เขียนว่าท่านเคยเป็นมะเร็งท่านอยู่สิริราชนี่แหละหมอบอกใกล้จะตายแล้วนะท่านก็ขอกลับไปวัดท่านอยู่ทางหนองคายนู้นท่านไปถึงท่านภาวนาของท่านนะท่านอยู่มาอีกหลาย10ปีเนี่ยถ้าจิตของท่านมีพลังมาก ไม่กังวลไม่กลุ้มใจจิตมีความสุขอยู่ได้นานมาถึงทุกวันนี้ก็มีหลายลายนะเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งภาวนาจิตใจมีความสุขอายุเกินมาตรฐานแล้วตอนนี้หลายคนอายุเกินมาตรฐานมีบางคนนะมีอยู่คนหนึ่งเคยทําสมถะพอเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเจ็บปวดมากทําไม่ลงแล้วทาไงก็ไม่ลงจิตไม่รวมเลย มาหาหลวงพ่อวันเสาร์จําได้เป็นวันเสาร์แต่เดือนไหนจําไม่ได้แล้วปีไหนจําไม่ได้นะมาที่นี่แหละมันนั่งอยู่ทางนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปกังวลกับร่างกายนะถือว่าร่างกายเนี่ยเหมือนดอกไม้เราขอสละบูชาพระพุทธเจ้าเสียให้ค่อยคิดอยู่อย่างเงี้ยร่างกายนี้เหมือนดอกไม้ที่เราใช้บูชาพระดอกไม้นี้จะเหี่ยวจะเชฉาอะไรเรื่องของดอกไม้แล้วไม่เกี่ยวกับเรานะ ตั้งใจไปเงี้ยแล้วเราอุทิศถวายพระพุทธเจ้าเลยเราจะดูจิตดูใจของเราตามที่พระพุทธเจ้าสอนไปเรื่อยๆนี่สอนไปวันเสาร์นะวันจันทร์มาได้นะกับพี่กับเปล่ามาเลยไอ้ที่เจ็บที่ปวดเนี่ยหายไปเยอะเลยลจิตมันตั้งมั่นขึ้นมา<อ>งั้นภาวนานะเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียใจนะอย่าให้ใจเสียรักษาใจไว้มีสติไว้สติเป็นเครื่องรักษาจิตให้พ้นจากความทุกข์นะอ่ะเมืร์สี่สิบสี่ จากกลับเรียนทำหลวงพ่อว่ามีสภาวะหนึ่งที่สงสัยเจ้คะ่ะเมื่อเช้าฟังเทศหลวงพ่อจิตจิตมันไม่ไหลไปอินกับเรื่องราวนะคะหลวงพ่อแล้วก็บางครั้งจะมีความคิดว่าแม่หลงพ่อขำขเทศขำ ข, ำ, ำ, ข, ำ, ขำก็ไม่ขำด้วยอย่างนี้คะ่ะมันนิ่ง <laughs> มันนิ่งเกินไปเลยสงสัยว่าตรงนั้นไปสร้างภพอะไรไว้ในตัแน่นอนนะ เ, เดี๋ยวนี้ก็ยังติดอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังติดทื่อๆอยู่รู้สึกไหมรู้สึกว่าอย่างเป็นมันเกิดจากการที่อยากปฏิบัติ พยายามปฏิบัติก็เกิดความจงใจประคองจิตพยายามรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่อง อ, อย่าไปรักษามันเพลสบ้างเจ้าค่ะอัอนนี้ก็คือไม่ถูกใช่ไหมคะช่วู <10 S 2> ที่เป็นแบบนั้นเออไม่ถูกนะคอนเฟิร์ม่ยกมือยกมือเบอร์39มนะแล้วก็78 8ดนะแล้วก็1้อย9ยกไว้ก่อนแล้วพวกที่ออกชื่อเบอร์ตะกี้จำเอาเองนะหลวงพ่อลืมไปล ผ ม, ผมรู้ว่าครับเราภาวนาผมภาวนาปล่อยกายปล่อยใจแล้วก็ตามรู้มันไปปล่อยกายปล่อยใจไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะไม่ได้ป่อยรอยรู้กายรู้ใจไปกายดูกายทำอะไรเราก็รู้ตามนะั้นแล้วเราก็จะเห็นจิตที่มันคิดแล้วก็มันหายไปจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปคุณช่วงหลังๆการภาวนาคุณเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะ ดูออกใช่ไหมดูออกดีแล้วล่ะไปตัดไปอีกหน่อยหลวงพ่อตรวจกันบ้านสบายถ้าจับไม่ก็ใช้ได้ทานกลัมาการเจ้าค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะแล้วทําไงดีดูไปเจ้าค่ะไม่ดูซักหน่อยเอาว่าไปช่วงนี้มันติดไปเครียดๆตรึงๆนะคะหลวงพ่อแล้วมันก็ไม่หลุดออกมาค่ะนั่นแหละอยากปฏิบัติ อยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากมรรคผลนิพพานนะพออยากแล้วมันจงใจปฏิบัติจงใจเลปฏิบัติไปเพ่งไว้ ต, ต้องใจถึงถึงการดูจิตต้องเป็นการตามดูจำไว้นะต้องตามดูจิตเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภโลกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงเนี่ยตอนนี้หลงไปละให้ตามดูอย่าผิดจ้องไว้ก่อนของคุณไปดักดูมันเลยแข็งขึ้นมา ไปรอดูว่าเมื่อไหร่จะจิตจะเป็นยังไงไปรอดูอเลิกใะอย่าไปรอดูมันยังเลิกไม่เป็นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเลิกไม่เป็นกระทุกไปก่อนนะยุติธรรมนะเราทําของเราเองขอพระคุณเจ้าค่ะอ้าวแปดสิบปดหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ็ดส <78 S 2> <78 S 3> ิบแปดนะดีแล้วนะมันเหลือนิดเดียวเหลือที่จงใจมากไปเท่านั้นนะอย่างอื่ น, นใช้ได้ล้วดีละทําไปนะทําไป ล้วจะได้ของดีอ่ะ88ค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงนี้จิตใจอ่อนแอไปนิดนึงรู้สึกไหมรู้สึกค่ะให้รู้ทันมันทำใจเข้มแข็งไว้หายใจแรงๆคุทสู้เออนะเนี่ยเพ่งมากไปค่ะนะเอาว่าไปค่ะจิตของลูกช่วงที่ผ่านมาเนี้ยค่ะไม่ค่อยจะยอมรู้กายรู้ใจตัวเองเท่าไหร่นั่นแหละมันท้อแท้อ่อนแอไป ปลูกใจให้คึกคักนะมาวัดเนี่ยแหละดีแล้วมาวัดแล้วมันจะคึกคักไปช่วงหนึ่งไม่เกินเจดวันนะเป็นทุกคนแหละแน่มาจากข้าไหนนะได้แรงไปก็เจ็ดวันใช้แบตหมดแล้วฟังซีดีคบกับเพื่อนที่เจริญสติเห็นคบกับกระยาณนิมิตที่เจริญสติด้วยกันนะไม่สูงสิงกับเรื่องยุ่งยุ่งนะการบ้านการเมืองให้คนที่เขาสนใจดูไปเราไม่ต้องนะ เราเอาความพ้นทุกข์ไว้ก่อนนะแล้วก็ปลูกใจให้มันคึกคักไวนะ้อย่าท้อแท้นะใจมันท้อแท้ปั๊แปะไปนิดนึงแล้วมันเลยขี้เกียจไม่ยอมรู้กายรู้ใจเพราะว่าเวลารู้กายรู้ใจรู้จึงมีแต่ทุกข์นะไม่อยากดูแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับลูกข้ามผ่านความยินดียินร้ายไปได้ยากแล้วลู้ก็เลยแบบว่าลาเลยอย่าละเลยนะให้รู้ทันความยินดียินร้ายอย่าไปห้ามหันมัน มันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวครูบาอาจารย์ก็ทำมาด้วยความยากลำบากเหมือนเรานั่นแหละลม้ม ล, ลูกคลุกคลานมาทุกองหละนะกว่าจะเก่งก็ต้องล้ม ล, ลูกคลุกคลานทุกคนแหละ แ, ละแล้วก็ต้องคิดสู้ไวอ้อะไปร้อ1ส <c oughs> 2้องนั่นเหรอเบอร์อะไรล่ะ้อ่ะร <c oughs> ้อเหรอยกไว้หรือยังตะกี้บอกไว้ยังเอาร้อก่อนก็แล้วกัน ทำนมัสการหลวงพ<ว>่อยาวๆนะยอวๆไม่ยาวแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ว่าคือช่วงหลังที่ไม่ได้ส่งการบ้านเลยแล้วก็ดูตัวเองเยอะขึ้นนะคะ mm. ก็เลยมีความรู้สึกว่าทรงนะมันก้าฟุ้งซ่านะคะแต่ทีนี้ว่ามีวันหนึ่งที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเองติดอะไรมันมีวันหนึ่งหนูปกติหนูตื่นนอนมาหนูก็จะตามรู้ตลอดนะคะทีนี้พอเห็นจิตมันลงลงไปอยู่ในความว่ตกกังวลของตัวเองนะคะดีแล้วก็เลยสังเกตมาเรื่อยๆว่า ตัวเองติดตัวนี้ค่ะเพราะว่าพอเป็นอะไรหน่อยจิตมันก็จะไปลงอยู่ตรงนี้ค่ะเออดีฝึกไปนะใช้ได้ละเอาร้อยสี่สิบเท่าไหร่ก็ไปรู้สี่สิบสามแล้วก็มาร้อยสิบการน้นมรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะมาส่งกันบ้างครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจงใจมากไปอ่ะค่ะก็เลยไปทําสมถะเพิ่มมาแปลกนะจงใจมากไปทําสมถะ <c oughs> อ้าว่าไป แต่คิดว่ า, น, าน่าจะหลดดุดความจงใจนะคะอะดีขึ้นนะจะถามหลวงพ่อนิด น, นึงนะคะพอดีเวลาอยู่เฉยๆแล้วมันวืบค่ะหลวงพ่อมันแบบรู้สึกวืบ ใ, ใจมันรู้เฉยๆรู้เฉยๆนะอย่าไปเพ่งมัน มันมันคืออาการของคนอื่นหรือเป็นอาการของเรามีทั้งสองอย่างของเราขึ้นมาก็มีของคนอื่นก็มีแล้วถ้าเราขึ้นมามันขึ้นเพราะอะไรคะเจ้าค่ะหลวงพ่อจิตมันจะรวมลงมามันก็วืบๆได้บางทีก็ไปรู้ของคนอื่นแต่ของคุณเนี่ยไปเอาของคนอื่นมาแล้วล่ะมันเวลาเจอของคุณของคุณเนี่ยนะจิตมันกระจายออกไปรู้สึกไหมเวลาไปเจอกับคนเยอะๆจะรู้สึกเหมือนจะอาเจียนอะไรอย่างนี้หลวงพ่อก็เป็น เมื่อก่อนนะมันเวียนหัวตอนแรกนะึกว่าตัวเองเป็นโรคบ้านหมนุนแต่พอสักพักนะึงมันก็หายอะไรเง้ยไปเจอเมื่อก่อนเ ER มื่อก่อนหลวงพ่อไปตามศูนย์การค้าไม่ได้นะที่มีวัยรุ่นเยอะๆเนี่ยไปแล้วเวียนหัวนะอยากอาเจียนเลยนะ ม, มันจะแก้ไขได้ยังไงแก้ไม่ได้นะฝึกไปเรื่อยจนเปนแกกบ้าแล้วไม่เป็นแต่ที่สําคัญที่สุดต้องไม่สนใจจิตคนอื่นให้คอยรู้ทัน คุณรู้สึกไหมจิตใจมันกระจายออกไปข้างนอกขนาดนี้มันกระจายคือมันไม่ได้มาอยู่ที่ตัวเองอะให้กลับมันมาหาตัวเองไว้คอยรู้สึกตัวเองให้รู้ทันว่าจิตกระจายออกไปที่อื่นกระจายออกนอกรู้แค่นี้พอแล้วมันเข้ามาเองคือการอาการเข้าเนี่ยมันคือวูบใช่ไหมคะหรือไม่ไม่ใช่วูบขนาดนั้นนั่นมากไปนั้นมันรวมเข้าสมาธิลึกไปอ๋อใช่ค่ะรวมเข้าไปเพ่งรู้สบายๆเนี่ยจิตหนีไปคิดทราบไหม แล้วให้รู้ทันจิตที่ไหล่รู้ทันจิตที่ไหลเงี้ยเดี๋ยวมันเข้าที่เองจิตมันไม่ยอมเข้ามารู้กายรู้ใจมันขี้เกียจหรือบางทีมันกลัวทุกข์พรรู้กายรู้ใจแล้วเห็นทุกข์มันกลัวมันก็เลยวิ่งเล่นไปข้างนอกเออมันเล่นอยู่นอกๆให้รู้ทันว่าจิตไปวิ่งอยู่ข้างนอกเจ้าค่ะเบอร์สี่บสามยกมือไว้สี่บสามแล้วก็ร้อยสี่สิบเบอร์นี้ยังไม่ได้เหรอ เดี๋ยวไปไหนละออกไปนวดเลานะเ ด, เดี๋ยวยกใหม่พี่ยกไว้แล้วเป็นโมคะนะกราบนะมัสการหลวงพ่อค่ะอยากขอโอกาสให้หลวงพ่อช่วยตรวจการบ้านนะคะหลวงพ่อเคยบอกว่านิ่งอะคะ่ะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันยังติดอยู่มันไม่ออกะะติดแต่ไม่มากนะรู้สึกไหมมันคลายออกแล้วราโปล่งๆขึ้นแล้วมันเหมือนนอกๆไหมคะไม่นอกอะ่ะมันกดไว้นิ่งๆค่ะยังกดไม่เลิกแล้วทํายังไงดี รู้ไปเล่นๆอย่าไปเกลียดมันค่ะอย่าไปอยากหายค่ะถ้าอยากหายให้รู้ว่าอยากหายนะมันจะค่อยหายเองแล้วเวลาทุกข์มากๆเนี่ยฮะมันเหมือนบีบแล้วเราไม่อยากจะทุกข์เราก็จะไม่ปฏิบัติเลยอะ่ะไม่ได้นะเวลามีความทุกข์ให้รู้ว่ามีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์แล้วไม่ปฏิบัติเมื่อไหร่จะพ้นอนะ่ะมันเหมือนมันหนีเองอะคะ่ะให้รู้ทันว่าจิตมันหนีค่ะมันไม่ยอมรับให้ให้จิตมันรู้ให้รู้ทันว่าจิตมันไม่ยอมรับค่ะรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะ ร้อยนะแล้วมาร <qui> <non>, ้อยสิขอบคุณค่ะโน่นโนทางน่นกราบนรรส ก, การหลวงพ่อค่ ะ, อะขอรายงานนิดหนึ่งนะคะว่าหนังสือกับซีดีของหลวงพ่อถูกอ้างอิงในนิตยสารอีกแล้วะคะ่ะเหรอไม่เป็นไรอ่ะเป็นอริยสัจสีส่ส ห, หนังสืออริยสัจ4ี่กับวิถีแห่งความรู้แจ้งรวมทั้งหนังสือนับหนึ่งของอาจารย์สุรวัตรลงรูปนะคะเหรอค่ะหลวงพ่อขะครับที่แล้วโยมมาส่งกันบ้าน หลวงพ่อบอกว่าที่ภาวนามาก็กลัวจะไปติดความนิ่งแต่ตอนนี้โยมเองมีความรู้สึกป้าเราจะมีสุขอะไรกันนักกัน น, ะขนาขณะนี้ค่ะทีนี้เลยไม่ทราบว่าที่ภาวนามา จ, จิตเวลาไม่เจอหลวงพ่อเวลาไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยเหมือนขนาดนี้ไหมตอนนี้ตื่นเต้นกว่าดีใจกว่าที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขถ้าพอใจในความสุขให้รู้ว่าพอใจแต่คุณไม่ได้ติดสุข ถ้ามันติดสุขหมายถึงว่ามีความสุขขึ้นมาแล้วราคาแทรกพอใจแล้วไม่เห็นว่ามีราคาอันนี้ถึงจะติดสุขอย่างจิตมีความสุขช่วยไม่ได้อะหลวงพ่อก็มีความสุขมีความสุขเยอะด้วยนะมันอยู่ที่ว่าจิตมันไปมีราคาขึ้นมาไหมเขาคุณจิตไม่ได้ไปเกาะที่ความสุขค่ะหลวงพ่อครับทีนี้บางครั้งเนี่ยมไปเวลามีเรื่องอะไรซึ่งเราน่าจะเป็นทุกข์ปรากฏว่าเรากลับไม่ค่อยรู้สึกทุกทข์เท่าคนก้านเคียงะะอะ ก็ถูกแล้วเราภาวนาเราก็ไม่ทุกข์แหละภาวนาไม่เป็นก็ทุกข์เยอะทีนี้เวลาเห็นอะไรบางครั้งมันจะรู้สึกแบนๆแล้วก็ถูกต้องเป๊ะเลยโลกนี้แบนราบเป็นนะจันมันเก่พูนะั้นโลกโลกราโลกาธาตุราบเป็นหน้ากลองเลยแบนๆค่ะแต่บางครั้งตอนที่อย่างอย่างกรณีเคยมาปฏิบัติธรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะยมนั่งฟังหลวงพ่อเทศ เห็นคนส่งกันบ้านอพอหันไปจะเห็นทุกอย่างมันเป็นแท่งแทแท่งแ ท, งแ ท, งแทงอง<ม>นั่นแหละ <คน S 1> จิตมันเห็นรูปรนั่นแนหะรูปตัวจริงไม่มีคนรู้สึกไหมมันเป็นแค่สิ่งซึ่งปรากฏขึ้นมาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตของคุณเดินถูกนะมันถึงจะเห็นนและจิตของคุณเวลานี้นะสติคุณก็มีอะไรเกิดขึ้นคุณก็รู้ทันสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นอยู่ก็มีใช่ไหมใจมันอยู่ตั้งมั่นอยู่รู้สึกไหมมันไม่ได้หลงตามโลกไปนั่นแหละฝึกไป กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เปิดประตูลิฟต์จากที่เราเดินอยู่บนพื้นนะคะแล้วตอนนี้เข้าลิฟต์ไปแล้วก็เราสามารถเข้าลิฟต์ไปหลวงพ่อเปิดประตูลิฟต์อยู่แต่อยู่คนละชั้นอย่างนี้ลำบากหน่อยเข้าลิฟต์แล้วทําให้เรามองอะไรเห็นในลักษณะที่รู้สึกไหมความความรู้ความเห็นของเราเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนค่ะนะเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างแต่เดิมเราพอนานะเหมือนเหมือนไปในวิถีราบนะ ไปในแนวราบอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีมันไ ม, มไม่เปลี่ยน<ะ>ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลเยอร์ขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนเปลี่ยนระดับมันเห็นโลกาธาตุไหลผ่านหน้าไปเท่านั้ น, นค่ะที่เรียนมาตลอดชีวิตกับที่มาฟังซีดีของหลวงพ่อกับที่มาปฏิบัติในช่วงระยะมไม่ถึงปีนะคะเราเห็นว่าอะไรต่างๆที่เรารู้รู้เหมือนเหมือนกับว่าเรารู้แต่ไม่ทราบว่าเรารู้นะอะไรแต่ดีแล้วต่อไปเบอร์ร้อย10บร้อยสิบยยกมือไว้ ยกไว้นะนี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามันหลังต้องมีคนสักคนนะมาคอยชี้ว่าใครยกก่อนกลับนิมัสการหลวงพ่อคะ่ะเมื่อกี้ตืน่นเต้นมากใจเต้นตุบๆออกมาคะ่ะแต่ว่าขอส่งกันบ้านคะ่ะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าใจมันนิ่งคือใจนิ่งแล้วก็วูบวเร็วมากไม่รู้ว่ามันมันไปดิ่งแบบติดความนิ่งหรือเปล่าไม่เป็นไร ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่มาฟังหลวงพ่อก็ฟังฟังหลวงพ่อหลังๆนี้จะแบบวูบเร็วมากแล้วก็จะนิ่งแล้วก็บางทีมันมันเหมือนไม่เห็นตัวด้วยค่ะไม่ไม่ไรนะมันเหมือนมันมองไม่เห็นตัวนั่นแหละไม่เป็นไรให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในความเป็นจริงนะจิตจะลงพะวังอยู่ตลอดเวลาขึ้นรับอารมณ์แล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยแต่เรามองไม่เห็นนะครัแต่นี้สติปัญญาเราเร็วเราเห็นมันลงตลอดเลยแวบแวบแวบถูกต้องแล้ว เราไม่ทราบว่ามีอะไรผิดพลาดที่ต้องแก้ไขค่ะจะทำใจให้มันคึกคักกว่านี้หน่อยนะตื่นให้มันเยอะกว่านี้หน่อยคึกคักไว้นะลูกตัวเองหน่อยเนี้ยโมหะมันแทรกหลอกไหมซึมค่ะยกมือต่อไปยกมือคนณน้นยกไหวมากไปยกไว้อ่านั่นแหละนั่นแหละส่งไปข้างหลังส่งไปข้างหลังคุณเสื้อสีฟ้านั่นแหละใจลอยอีกแล้วยังจะหันไปยิ้มอีก อย่าไปกดให้นิ่งนะอย่าไปกดให้นิ่งปล่อยให้มันทํางานของคุณหลาพอใช้ได้แล้วละปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูมันไปอย่าไปกดมันนะที่ทําอยู่เดิมมันกดแรงไปการนมัสการหลวงพ่อค่ะสองเดือนที่แล้วมาแล้วก็ส่งกันบ้านก็ประคองออืก็ยังประคองอยู่แต่น่าจะน้อยลงปะค่ะน้อยลงน้อยลงถูกต้องแล้วขอคําแนะนําด้วยค่ะไปดูนะอย่างประคองอยู่เราก็รู้ สังเกตไหมทําไมต้องประคองกลัวตื่นเต้นเออมันรักตัวเองสุดท้ายอะ่ะอยากให้มันดูดีอยากให้มันเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปประคับประคองนะค่อยๆดูไปที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้แล้วนะอดทนนะอดทนดูไปขอบคุณเวลารเราพานานะแร ก, แรกๆมันก็ลําบากเหมือนเราเป็นคนยากจนทุนทรัพย์เราน้อยหาเต้าห่วยขายนะเดี๋ยวนี้มีไม่เต้าห่วย อ๋อยังมีนะมีมีหาบไหมหรือกทอมอจับไปหมดแล้วโหเสียบรรยากาศขายของนะลำบากกว่าจะได้กำไรนิดๆหน่อยๆวันๆแทบไม่พอกินเลยค่อยๆ อ, อดออมนะสะสมของเราไปเรื่อยเหมือนวันหนึ่งเป็นเจ้าสัวหาเงินง่ายนั่งๆ น, นอนนอ น, น, อ น, นอนเงินก็มาละเหมือนภาวนานะแรกๆโอ้ยนานกว่าจะสติเกิดได้แว บ, บหนึ่งหลวงพ่อตอนหัดวันแรกนะ นั่งรถไฟจากสุรินดูมาเรื่อยมาถึงกรุงเทพ่ะหลุดได้แว บ, บเดียวแล้วก็ฝึกอีกเจวันนะหลุดมาได้สองสแวบสองสานาทีค่อยฝึกมาเรื่อยๆนะตอนนี้เป็นเจ้าสัวแล้วดูสุขุนก็รู้แล้วใช่ไหมรวยนั่งนั่งนอนๆน่สติมันเกิดของมันทั้งวันอ่ะ <c oughs> นะมันเกิดเอง <c oughs> ค่อยๆฝึกไปนะวันนี้ยังลำบากอยู่แรกๆลำบากทุกคนะต้องอดทนเอาคอยรู้คอยดูคอยสังเกตจิตใจไปเรื่อย ลองผิดลองถูกไปเรื่อยลองทีไรก็ผิดทุกทีแหละไม่มีถูกหรอกถ้าถูกต้องเลิกลองนะรู้ไปเรียนรู้ทําอันนี้ก็ผิดทำโน่นก็ผิดนี่โนอยก็ผิดอันนี้ก็ผิดนะเรียนรู้ไปเรื่อยเลยวันหนึ่งโอ้ทําอะไรก็ผิดจิตมันหยุดการทําให้นมาหยุดการทําว่ามันถูกของมันเองนะมันหมดความปรุงแต่งมันก็ถูกของมันเองนะอดทนนะอดทนเบื้ง อ, องต้นก็ร่องลําบากล้มลุกคุลานเรื่องธรรมดาตอนนี้ไม่ไปอยู่ที่ใคร อ้าวเบอร์เก้าเชิญถามไปแล้วค่ะเรอถามแล้วนะอ้าวคุณโสพลยกมือไว้คนนี้ลูกสาวเก่งนะลูกสาวส่งกันบ้านช็อตช็อตชอช็มาไหมมาครับหลวงพ่อเดี๋ยวจะให้เขาส่งด้วยเดี๋ยวต้องให้มันส่งหลวงพ่อชอบเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตัวเองกดน้ยลงแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อกดน้ยลงนะแต่ใจไม่โปรงนะยังไม่ปร่งใจไม่ค่อยโปร่งรู้สึกไหมไม่ค่อยปลัดโปรงเพราะว่าไปยุ่งกับการเมืองบ้างใช่นะครับ การเมืองเป็นเรื่องอคูจอร์ครับหลวงพ่อแล้วแล้วขออีกนิดนึงครับหลวงพ่อจะมีคนเล็กอีกห้าขวบปะครับหลวงพ่อแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้เขาฝึกอะไรอนะครับแต่ไม่ทราบว่าเขาอาจจะน่าจะมีอะไรมาบ้างแล้วไหมครับไหนไหนอยู่ไหนเอามาให้ยนชมก่อนสวัสดีครับอ้าวเล็กเกินไปกลับหลวงพ่อหน่อโอ้ย่างงี้เออคือผมเขาน่าจะพอฝึกได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อก็เปิดซีดีไปนะ ให้เขาฟังบ้างอะไรบ้างเราก็ภาวนาให้พี่สาวภาวนาไปครับเดี๋ยวเขาเห็นตัวอย่างตอนนี้เขาพอพอทราบแล้วนะครับบอกเวลาโกรธเขาบอกให้ดูที่ใจที่โกรธไปดูสิ่งที่โกรธอะไรงเงี้ยคอยให้เขาท่องท่องไว้ครับหลวงพ่อแต่เขายังท่องอยู่คช่ยังไม่ได้เห็นตัวสภาวะเล็กไปนิดนึงแต่แต่พอมีแววไหมครับหลวงพ่อมีสิทั้งบ้านภาวนาอยู่ผ่าเราอยู่คนเดียวพิลึกเลยครับเดี๋ยวลูกสาวก็จะส่งด้วยคเอาลูกสาวส่งกันบ้าน ว่ายังไงเห็นกิเลสไหมเห็นค่ะเห็นอะไรบ้างเยอะแยะค่ะก็บางทีก็มีโมหะค่ะบ่อยมากเลยเวลาตื่นนอนใหม่ๆอย่างนี้ก็ชอบนั่งแช่เป็นชั่วโมงเลยค่ะอหรอแย่นะาแช่อยู่บนเตียงชั่วโมงมีแช่ในห้องน้ำอีกชั่วโมงก็บางทีค่ะก็แช่ในห้องน้ำใครรู้สึกเรื่อยๆนะ ไฟฟ้าไม่เชิญไปเป็นวิทยากรสอนที่พวกเอาไปสอนพวกที่บอกว่าดูจิตยากอ่ะที่บอกการดูจิตนั้มันยากเลือกเกินนะเนี่ยเอามาสอนเบอร์สามแบ้างอ้าวแล้วไงอีกอ้หนูก็เมื่อตอนวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วหนูไปว่ายน้ำค่ะแล้วรู้สึกว่า มันเออมันมันบังคับไม่ได้ค่ะคราวนี้หนูก็ลองดูจิตดูมันก็ดูไม่ได้หนูก็เลยดูกายค่ะเออคราวนี้มันก็เลยเห็นว่าเหมือนมันจะไม่ใช่ตัวเราค่ะซ uh ึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าหนูคิดไปหรือว่าจิตมันรู้เองจิตมันรู้เองสินะเห็นไหมโอ้โหอ้าวใครอิจฉาเด็กบ้างยกมือ รวมทั้งพ่อด้วยแล้วไงอีกก็ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะมีความทุกข์มากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหนูได้เออตอนหนูตีขิมเป็นคราวนี้งานวิชาการหนูจะได้ตีค่ะคราวนี้ตอนแรกได้ตีพิเศษกว่าคนอื่นคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยไปช้ามันก็เลยได้ตีแย่กว่าคนอื่นคราวนี้หนูก็เลยรู้สึกไม่ดีก็ ปดูมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเหรอแล้วทำไงอ่ะก็ดูไปค่ะเห็นไหมบอกว่าต้องเอาไปเป็นวิทยากรจบหรือยังจบแล้วค่ะอาให้ผู้ใหญ่บ้างนึกว่าไม่กล้ายกแล้วนะอ่ะคุณนิ่กราบน้ำสการหลวงพ่อครับ พอดีจะสอบถามสภาวะอย่างหนึ่งคือสมมุติว่าคิดไปนะครับแล้วมันเผลอคิดอย่างเงี้ยแล้วอพอมันจะมีช่องว่างอ่ะที่หลวงพ่อเคยบอกสักสักพักมันก็จะเพ่งอืทีนี้ผมกับไปย้อนดูช่องว่างตรงนั้นอ่ะทีนี้มันมีสองคำถามคือตรงนี้เป็นการจงใจหรือเปล่าเอออย่าจงใจย้อนนะถ้ามันรู้เองไม่เป็นไรนครับแต่มัน<ง>ก็มีความโล่งขึ้นมาตรงนั้นนะ ไปเพ่งช่องว่างก็ไม่ดีเดี๋ยวโล่งว่างได้นะแต่ติดสมถะได้อ๋อครับคบแล้วคือตรงตรงที่หลังเพง่งตรงนั้นถูกใช่ไหมครับตรงที่รู้หลงไปนะรู้แล้วก็มันช่องว่างเกิดขึ้นใช่ไมครับแล้วก็เกิดเพ่งอะไรเงีย้ยเขานะรู้ทันอีกนะถ้ามันเลิกเพ่งนะก็มีช่องว่างมาขั้นอีกนะมีช่องว่างมาขั้นเ ป, ป็นระยะระยะไปก็ปล่อยปล่อยให้รู้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะแล้วก็ ร, รู้ไปอย่างที่เขาเป็น บางครั้งก็รู้เหมือนกับลักษณะจิตมันเป็นธรรมดารู้ไปแบบธรรมดามันก็เออมันก็ไม่ถึงกับโปรง่งแต่ว่าก็สบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันคือแบบเดียวกันของคุณ <นะ S 2> ต้องภาวนาะให้สบายๆนะครับสบายกว่านี้หน่อยเครงเครียดไปนิดนึงครับทําใจสบายๆโปรง่งๆแล้วดูไปเล่นๆครับมีคําถามอีกคําถามหนึ่งครับรุ่นพี่ฝากถามมาเขาบอกว่าบางทีคําตอบของหลงพ่ออาจจะเปลี่ยนเขาก็ได้ อ, อย่างเงี้ยเขาถามว่าเขาฟังซีดีกับ อ่านหนังสือของหลวงพ่อแล้วก็จับประเด็นได้อย่างหนึ่งว่าไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจงใจอะไรใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็ปล่อยปล่อยปรากฏว่าก็เผลอไปทั้งวันเลยโอ้ใช่ไม่ได้สิเขาบอกว่าจะต้องทํายังไงเดี๋ยว ข, ขอฝากถามให้มีเครื่องอยู่อันหนึ่งก่อนครับเครื่องอยู่อันนึงเช่นอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แต่อย่าไปเพ่งนะ อ, อย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งพุทโธพุทโธไปอย่างนี้แหละแล้วพอจิตแอบไปคิดก็รู้ทัน พุทโธพุทโธหนีไปคิดอีกก็รู้ทันพุทโธแล้วไปเพ่งอยู่ก็รู้ทันพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตไปด้วยมันต้องซ้อมนะสติมึงจะเกิดไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแล้วสติเกิด<อ>ถ้า ง, งั้นหมาแมวมันบรรลุพระอรหันต์หมดแล้วเพราะนันมันไม่ได้ทำอะไร<อ>เพราะงั้นเราทำนะทา<อ>ด้วยการมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อันหนึ่งขึ้นมา อยู่กับพุทโธก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตมันทํางานไปเรื่อยๆแล้วเขาพี่คนนี้ควรจะใช้วิหารธรรมอะไรดีครับโอ้ไม่มาเนี่ยไม่รู้หรอกเขาไม่กล้ามาเพราะว่าเห็นว่าเขายังไม่พร้อมอะไรก็เลยจะไปฟังหลวงพ่อที่สาราลุงชินถ้าพร้อมแล้วไม่ต้องมาหรอกบางคนแล้วมันโง่โงนะมาบอกฝากเพื่อนมาบอกหลวงพ่อว่าตอนนี้ยังไม่มาไว้ภาวนาเป็นแล้วจะมาภาวนาเป็นแล้ไม่ต้องมานะ ไม่กลัวไม่เอานะบอกพ่อไม่ต้องกลัวหลวงพ่อนะนนกลัวครูบาอาจารย์อย่าไปกลัวหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นแหละสมัยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็อกลัวเหมือนกัน <c oughs> เวลาไอ้เรื่องปั่นกันบ้านหน้าวัดหลวงพ่อทํามาก่อน <c oughs> นะอย่างเวลาจะไปหาหลวงปู่ดูล น, นะพอรถไฟถึงโคราชเนี่ยต้องไม่พูดกับใครแล้ว <c oughs> ฉันจะต้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถึงสุรินในอีกสองชั่วโมงข้างหน้านะ หรืจะไปหาหลวงปู่เทศนะนั่งรถทัวร์ไปพอรถถึง อ, อุดรเนี่ยต้องเรียบร้อยแล้วรี่ปั่นกันบ้านมันอดไม่ได้หรอกแต่ว่าพอเข้าถึงตัวท่านเราไม่กลัวแล้วนะเราจะเอาธรรมะแล้วเราไม่กลัวหรอกบางคนกลัวอะไรกลัวหน้าแตกกลัวทําไมหน้าแตกหน้าไปรักษามันทำไมนะเพราะฉนั้นอย่ากลัวนะอย่ากลัวครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ได้เจตนาร้ายกับเราหรอกขอบพระคุณมากครับไหนเมื่อกี้ใครยกมือแวบๆอ้าวสองคนนะั้นแล้วใครไปเบอร์นหนึ่ง ผู้หญิงสองคนนะายกไว้แล้วก็ไปเบอร์หนึ่งกลาวนะมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะ อ, อยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าที่ทำอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะก็ดีหละอยากขอคำแนะนำ ม, มีเพิ่มหรืออยากถาม อยากถามว่าทำทำอยู่เนี่เป็นยังไงทํานี้ทาอยู่นี่เป็นยังไง อ, อคะคะควรเพิ่มเติมอะไรบ้างเออต้องถามเนี้ยไม่มันตรงนี้เป็นไงตรงนี้เป็นไ ง, ร ง, น เ, นงเราต้องรู้เอาเองนะเพิ่มเติมอะไรให้ดูบ่อยๆนะคอยรู้สึกบ่อยๆนะที่ทําอยู่พอใช้ได้แล้วคุณเห็นกิเลสแล้วดูออกใช่ไหมดูม ด, ดูรู้ไว่อยากถาม <laughs> นั่นแหละนั่นแหละภาวนาใช้ได้แล้วนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตนั่รู้ไปเรื่อยๆ เนีเมื่อกี้ใจลอยไปแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมรู้สึกค่ะออนั่นแหละใช้ได้แล้วคิตามเออคิดตามไปฝึกอย่างเงี้ยฝึกเยอะเยอะขอบพระคุณค่ะออส่งไปกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาส่งการบ้านครั้งแรกเหมือนกันค่ะอถามหลวงพ่อว่าใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมแอบไปคิดถามอะไรดีนาะนะเ อ, อ้าจะถามอะไรก็ถาม อตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้หนูตื่นเต้นเอาตบให้อ่ะต้วไงอีกต้องปรับปรุงอะไรบ้างคะไม่ปรับปรุงนะทำวิปัสสนาเนี่ยไม่มีคำว่าปรับปรุงวิปัสสนาเนี่ยกลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนางงั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเช่นจิตใจเราฟุ้งซ่านง่ายเราก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเรามีปีติง่ายเราก็รู้ว่ามีปีติ จิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมจิตใจมันวูบเป็นนิดนึงนะมันวูบหายไปเฉยๆเห็นไหมนี่มันลงผวังแล้วก็รู้ว่ามันลงผวังก็แค่นั้นเองมันจะวันแอบไปคิดแล้วมันอยากพูดรู้สึกไหมใช่ค่ะนี่มันหนีไปคิดแล้วมันต่อได้อยากพูดแล้วก็รู้ทันอีกนี่แอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยวูบอีกแป๊บหนึ่งอะรู้สึกไหมดูไม่ทันเลยค่ะดูไม่ทันเลยนะดูเท่าที่ดูได้ หลวงพ่อพาดูเป็นตัวอย่างอยากพูดอีกแล้วรู้ไหมคะรู้ค่ะออรู้แล้วออจะถามอะไรอะ่ะค่ะจะถามหลวงพ่อว่าจะดูกายให้หลวงพ่อดูได้ไหมคะ่ะได้ไหมได้ไม่ถูกแล้วเห็น <c oughs> ไหมดัดแปลงจิตรู้กายก็รู้ไปด้วยจิตธรมธรมดาธรรมดารู้จิตก็รู้ด้วยจิตธรมธรมดาธรรมดาไม่ใช่จะรู้กายต้องวางฟอร์มกัน <c oughs> เอารู้แล้วนะ <c oughs> อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ น้แลมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะของคุณนะดูจิตไปของคุณเหมาะกับการดูจิตของคุณดูจิตได้ชัดแล้วดูจิตได้ละเอียดด้วยนะดูจิตไปตอนนี้จิตนี้ไปคิดแล้วทราบไหมค่ะดูจิตไปแล้วมันรู้กายเองไปเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งได้คนสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องขอคุยกับพระนะหน่อยหมูนี้ไม่ค่อยสบายนมรรการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกครับ มาขอฝากเป็นริจหลวงพ่อด้วยครับเออไม่ต้องสมัครก็ได้รเรียนธรรมะนะเก็บก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะในการปฏิบัตินะครับบังคับตัวเองแรงไปนิดหน่อยนะของคุณพอใช้ได้แล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะครับแต่ว่ามันติดการเพ่งมากไปนิดนึงเออมื่อเช้าที่หลวงพ่อพูดเรื่องจิตระเบิดผมได้ยินว่าพูดถึงจิตระเบิดมันเป็นอะไรเลยครับมีไหมจิตระเบิดอืม อย่าที่พูดไว้มีอยุ่ช่วงหนึ่งพูดนิดนึงว่าไม่ใช่จิตระเบิดมันมีความรู้สึกถูกกดดันความทุกข์มันบีบคั้นมันเห็นจิตเป็นตัวทุกข์อย่างรุนแรงมันเหมือนจะระเบิดมันไม่ระเบิดจริงหรอกนะครับแล้วจิตนี่มันระเบิดได้ไหมครับไม่ได้หรอกอ๋อครับไม่ต้องกลัวนะมันไม่ระเบิดหรอกแล้วอย่างผมนี่ควรปฏิบัติอย่างไรดีครับขอบคุณนะอใจสงบแล้วคุณรู้ร่างกายไปนะ เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูมันไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆสังเกตร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนดูอยู่ตางหากค่อยฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับไปลองทําดูตอนแทนแถมอีกคนนึงนะนั่นเบอร์สิบเกนะเบอร์ที่เหลือต้องไว้ก่อนแล้วล่ะหลวงพ่อไม่สบายแล้วกราบนัสุการหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มานะครับคือได้ได้อ่านหนังสือจากที่เพื่อนมอบให้ก็ทําความเข้าใจแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับทีนี้มาดูก็เลยบอกว่าอริยสัจ ว่าก่ว่าผมก็อยู่ที่หนองมนนะฮะแล้วก็ทํางานที่ระยองก็ขับรถผ่านเส้นใบพัด ท, ทุกวันก็เพิ่งทราบว่าสันติธรรมอยู่ตรงนี้อืแล้วก็ได้เข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อจะดูปฏิทินในการที่อาจารย์สแสดงธรรมนะครับครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกที่มาทีนที้อยากจะขอคําแนะนําจากอาจารย์นะครับว่าคือทุกวันจันทนะฮะของวันเริ่มงานเนี่ยจะมีพนักงานอยู่ห้าร้อยคน ที่นั่งแล้วก็ฝึกสมาธิกันประมาณสิบนาทีทีนี้ผมเองก็เป็นผู้นำก็ไม่เข้าใจว่าผู้นำจะพาไปถูกทางยังไงนะฮะว่าพยายามให้จิตสงบก่อน<ม>ที่ร่างกายแล้วก็ได้ออซไซร์ในเวลาทำงาน<ม>แต่ว่าจิตใจไม่ได้พักผ่อนอย่างนั้นก็ดีนะแล้วนะขอคำแนะนำนะอาจารย์นะเอาฮาซีดีหลวงพ่อไปแจกนะให้เขาฟังนะคือออซไซร์ใช่ไหมดีแล้วมอพักผ่อนให้จิตสงบนี่ก็เรื่องดี ถัดจากนั้นคือเรื่องเจริญปัญญาโรงงานหลายแห่งเลยนะก็หรือหรือบริษัทหลายแห่งเลยเนี่ยเอาธรรมะหลวงพ่อไปให้ลูกน้องนะประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นคนขี้เกียจน้อยลงเห็นแก่ตัวน้อยลงทะเลาะ ก, กันน้อยลงเอาเวลางานไปอู้ไปคุยกันเล่นน้อยลงนะแต่ละคนขยันดูของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเป็นการพัฒนาคุณภาพในการทํางานด้วยนะงั้นคุณเอาซีดีหลวงพ่อไปแจกเขาบ้างไป มีไม่พอมั้งรัางห้าร้อยครับก็ว่าไงเบื้องต้นก็คือที่เข้าใจก็คือที่ทำอยู่นะมันเป็นสมถะครับจิตออกจิตออกนอกแล้วเป็นทุกข์นี่นะครับไม่เข้าใจง่ายนะอันนั้นเข้าใจยากนำคำสั่งสอนอาจารย์ไปปฏิบัติต่อครับขอบคุณครับอเชิญยงกับบาน